มะของนุสโตต้าเป็นธรรมะที่ทันสมัยเป็นธรรมะที่ยังก า, า, ายา่าใจของบุคคลผู้นำไปแต่เพื่อปฏิบัติไดรับความสว่างไสวคว า, ามสุขความสบายเกียรติเย็นภายในใจธรรมะเป็นโอชาลพ ที่สำคัญยังบุคคลผู้เขาถึงทรนมะมาได้รับความสุขความอัศจรรย์ทำน่ะเพราะงุใช้จ่ า, จานั้นมีมากมาหลายอย่างจนไม่สามารถ ที่พวกเราจากที่นี้ไปเจ้าแนมะให้ตัวถึงแต่เมื่อเยินลงมาให้สั้นที่สุดก็ได้แก่ทางศีลภาวนาะหรือศีลสมาธิปัญญาเนี่อเป็นทางนำพาใจจิตของบุคคลผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติ มาได้ถึงสิ่งที่ศึกของธรรมะโดยมิมนิพพานธรรมะที่ว่ามากมายตายกองเมื่อเยินลงน่ะก็ได้แก่สีงสมาธิปัญญาหรือน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราก็คือตายหลาใจใจ ผู้ที่ในทรงแต่แสจิตคิดไปเรื่องอืน่นมีปติในที่เจเริเรื่องากายกาจใจใจของคนอยู่สม่ำเสมอจะรู้จักทรรมะ็นทรรมะเกิดขึ้นจากคนของตนเพราะความสุขทุกข์ดีชั่วได้เสียต่างๆ ไม่ได้อยู่กับดินฟ้าอาตะหรือตำหลักตำลาม่ได้อยู่ในสถานที่อื่นใดทางนั้นวิเลตปัญหาเกิดขึ้นแฉลบเผาตายใจของบุคคลใหรับความเปร่าร้อนก็เกิดขึ้นจากการกระทำการพูดการคิดแมได้เกิดขึ้นมาจากสถานที่อื่นเมื่อเป็นเช่นนั้น ทางสำราญาสตร์ซึ่งเป็นสายตรงข้าเรียกว่าธรรมะเรียกว่ากุศลเรียกว่าบุญก็จะต้องสำระตายวาจาจิตสำระสัญญาอารมณ์ที่ทำให้เกิดความกำหนัดดนดีเกิดความรลุ่มหลงเกิดความแปเปลีน ให้น้อยลงไปใจของมนุษย์เราเมื่อได้รับความสงบสงัดมาก เ, าเท่าไหร่ปล่อยวางสัญญาอารมณ์ได้เท่าไรบุคคลผู้นั้นจะมีความสุขของใจมากขึ้นถ้่าหาใจวุ่นวายกังวลรงแต่มากเท่าไรใจของบุคคลผู้นั้นก็เป็นจ่าทุกข์ ถึงจะมีสมบัติพระสถานบ้านเอือนใหญ่โตระหโหฐานมีคนชายมากมายต่ายกองมีอุปกรณ์ต่างๆเครื่องพอบรีบูลในการไปมาหาสู่หรือการอยู่การกินการหลับการนอนก่อต่างหากจิตใจแฝายส่ลงแต่งซึ่ง ต้ารลำคาญไม่มีการพักผ่อนืดหยุดได้บุคคลผู้นั้นจะไม่มีความสบายจะไม่มีความสุขจากตัวของตัวเมื่อผู้นั้นรู้จักวิธียับยั้งวิธีสงบวิธีรักษาจิต ไม่คิดปรุงใ น, ในอารมณ์สัญญาตึาตงเป็นตายชั่วไฟต่ตำคิดหาอุบายทุกทีบำรงจิตของตนถ้ได้รับความสงบสงัดหรือคิดปรุงหาทางแก้ไขชำระสาสางใจของตนส ม, ม, ม่ำเสมอให้จิต รูเห็นตามเป็นจริงในเหตุผลที่เป็นท่องเต็มเลยรับจากความสุขเกิดขึ้นมาจากอันนี้ความทุกข์เกิดขึ้นมาจากอันนี้แยมไปะจายในจิตในใจทําละเงี่ยความทุกข์ท้องใจที่ไปติดขอ้อที่ไปปลุงแตง่งไปเนกเขีดให้น้อยลงไปหรือให้เหยียดหายไปบำรุงทรรม สงบท้องใจบำรุงความติดข้องใจด้านปัญญาเพื่อชำระเพื่อแก้ไขเพื่อความรู้ความเห็นกระจ่างชัดเจนภายในใจมากขึ้นเท่าไรผู้นั้นจะรับความสุขใจคารีคูณขึ้นธรรมะจึงได้ชื่อว่าเกิดขึ้น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 และใช่อันอืน่นจะไปสู่ความสุขความทุกบ้าดเมื่อใจวุ่นวายใจใจคุ้งแคลงในใทาี่ิเลกกันเหรอจึงเป็นเรื่องแผลเขาเจ้าตัวเองให้ได้รับความรุ่มร้อนเราจึงสอนจิตใจของเราแลพะพยายามมีสติ แต่คราบตาคลองอยู่สม่ำเสมอส่วนใดที่เป็นใครแก่กายแก่ใจของตนถึงเราจะชอบเพราะเคยนึกคิดติดตามเพราะเคยกระทำบำเพ็ญส่วนนั้นแต่อานิสงส์หรือผลของมันจะเป็นภูมในการคิดการปรุง หรือต่างแต่ทำมองเชลนถึงแม้จนทุกข์ในปัจจุบันที่เราได้รับแต่อนาคตผลเท้ามันจะปรากฏเป็นความทุกข์ขึ้นมาเทราไรยะที่นึกคิดหรือทำอยู่จิตใจของเราพอดจิตใจของเรายังไม่แจมกระจ่างยังไม่เกิดแสงสว่างของธรรม จึงลุ่มหลงจึงเพอเพินจึงยินดีเหมือนกันกับยาพิษเกลือนตาลภายนอกหวานแต่ภายในเป็นพิษคนที่ไม่รู้จักก็เลยดื่มกินไปแต่พอไปถึงท้องถึงไส้ของเรายาพิษจะละลายออกทำกายของเราให้ได้รับความเดือดร้อนหรือถึงแควทม รวมหายตายไปก็เป็นได้ฉั้นใดความทั่วทั่วไปที่จิตใจของเราหลุ่มหลงก็พอเห็นแต่ความเพิดเพิ่นความปรนันยินดีต่างๆแต่ทุกข้างแน้าที่ตัวของตัวจะได้รับไม่ได้ละลึกไม่ถึงไม่ได้คิดไม่ได้จูงใ น, นส่วนเหล่านั้นนี่คือจิตใจของบุคคลที่ยังไม่เข้าไป สู่อัตสูทธรรมยอมเห็นเรื่องโลกเรื่องนอกเรื่องโลกเรื่องโกรเรื่องหลงเป็นข้องดิบ้องดี เ, เพิเพลินห้วนขันไปในส่วนนั้นยันไม่มีวันมีเวลาที่จะตำระสาสางจิตข่องอยู่ในจิต ใ, ในใจได้ยินก็ชอบอยากจะฟัง ได้เห็นก็ชอบอยากจะดูและเมือ่อจับจากการได้ดูได้เห็นได้ยินได้ฟังมาถึงบ้านทถ้งช่องขอ ง, ของตนความอยากปรุงอยากแต่งไปในอารมณ์ส่วนนั้เนเลยไม่มีทำเป็นเครื่องรักษาไม่มีทำเป็นเคร่องปันต่างๆจิตใจจิตใจเมื่อปล่อยมันไปเกี่ยว้องปลายมันไปจิตนึก มากมาแ ต, าต่กองเข้าจิตใจของเราจึงไม่เห็นธรรมจึงไม่มีความรู้ความปลาดทางธรรมไม่รู้จักจะรักษาโดยวิธีใดเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีสติแตบประทองรักษาจิตรักษาใจของตนให้อยู่ในขอบเขตในวงของธรรมสิ่งใดที่มันปูไปจิตไปนึกไป ที่เป็นอาจรรมเป็นสายชั่วให้มีสติรู้ให้มีปัญญาแนะสอนตัวของตัวเสมอหากราักษาไว้หรือมีสติรู้จักเรื่องมันคิดไปมีปัญญาแนะสอนเสมอจิตใจที่ใจตรงคิดติดตามเรื่องอ น, นั้น จะนับรั น, นเวลาเบาบางลงหรือจืดจางเขา้าการละการถอนของจิตของใจก็ค่อยละค่อยถอนออกไปทีนิดทียงหน่อยเป็นผลที่สุดความนึกคิดที่เราเคยจิตเคยข้องในสัญญาอารมณ์เรื่องของโลกต่างๆหากเราฝึกเรารักษาเราระมัดระวังด้วยสติปัญญาแนสอนตัวอยู่สม่ําเสมอแล้ว เรื่องเหล่านั้นนับวันจืดจางไปเราจะทบทวนทีนี้พิจารณาไดา้จากตัวของตัวเองว่าแต่ก่อนเคยได้ยินเสียงเคยได้ดูเรื่องต่างๆผิดชาวโลกเทานิยมสมชอบกันจนถึงจะว่าอดหลับอดนอนเสียเงินเสียทองเสียเขา่าเสียของต่างๆเขาจ้างกันมาดูมาฟัางแต่สมัย ที่เราเคยฝึกอบรมด้วงศีลด้วยธรรมมาแล้วเสียงนั้นนั้น ร, รูปนั้นนั้นจิตใจของพวกที่มีธรรมประจําตัวเคยนึกคิดเคยจิดหล้องเคยชอบใจอย่างเตาไหมเราตรวจสอบสตัวของเราไดา้จากการได้ยินได้ฟังจากการเพื่อปฏิบัติของตัวนี่คือมันต่อะละไป ถอนไปทีนิดทีหน่อยกาปรปพรริทินทำหากเราประฏิตินนั่มเสมอทีนิ้นพิจารณมีสติปัญญาแนวสอนตัวอยู่ไม่หยุดได้ถอยความรู้ความเห็นความเป็นของธรรมจะปรากฏขึ้นเมื่อเราทีนิ้พิจารณเหมือนกันกันกบว่าเราทานอาหารจะให้อิ่มในคำแรกทีเดียวไม่ได้จะต้องคานกันไป เรื่อยๆหลาทําเมื่อเราทานอาหารเรื่อยๆไปความอิ่มก็จะค่อยๆนูนกันขึ้นทีนิดทีหน่อยค้นที่สุดเพราะอิ่มเต็มที่ถึงจะมีอาหารเต็นภาชนะอยู่ก่อตามก็ไม่อยากรับอีกเพราะความอิ่มในถาดในขันขันใดเรื่องจิตเรื่องใจที่พิจารณาธทำละถอนเรื่องความ โรคความปวดความหลงในโลกต่างๆก็มีในสันนั้นไม่แปลกอะไรกันคือเราทีนี้พิจรารณาวันนั้นวันนี้ไม่หยุดไม่ถอยใจของเราจะค่อยเจริญเจ้าแน่ในทางธรรมะสม่ำเสมอไปโดยในจิตห่องหรือว่าวมตามสัญญาอารมณ์ที่เป็นขอน้องโซนเคยชอบเคติดนี่เป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องตรอพฤ้ปฏิบัติ ไม่ใช่ว่าจะให้เกิดให้เห็นในเป็นขึ้นโดยการอยู่เฉยๆต้องลงมือ ต, ต่อพฤชปฏิบัติการประพืต่ิตบัติต้องมีสติต้องมีปัญญาจึงจะเรียกว่าความเพียรหรือสันเล ข, ขาธรรมหรือธรรมสำละกต่ ส, สายสายชั่วหากเราไม่มีสติปัญญาทินิธพิจรารณาหรือบอริกรรมหรือธรรม อาการอันใดเราจะเดิอยู่ตลอดวันยัางท้าแต่ปล่อยใจคลองสินลอยลมไปสู่ัญยารมมันอยากนึกอยากคิดอยากุูงอยากแปลงอะไรก็ปล่อยมันไปไม่มีปัญญาแมสอนตัวไม่มีปติตืบรู้ว่าจิตท่องตัวอยู่กับสีกับท่าหรือไปภายนอกหากเราปลอยอยู่อย่างนั้น อาการจินตยาที่เรานั่งภาวะนาะหรือเราเดินจงกรมก็จะไม่เป็นผลเป็นประโยชน์อะไรเกิดขึ้นเป็นสิน่ง เ, เห็นขึ้นจากการกระทำข้างต้นเราทำด้วยมีจิตทำโดยมีปัญญาถึงแต่ระยะเวลานิดหน่อยก็าตามผลประโยชน์จากการการะทำบำเพ็ญของเราจะเห็นไปจากในจิตในใจ ว่าเราไม่ปล่อยสัญญาอารมณ์ของใจไปไปปรงไปคิดไปเกี่ยวไปคล้องกับเรื่องของโลกส่วนใดที่พระพุทธเ จ, จ้าแนะนำห้ามเอาไว้ไม่ให้ไปคิดไปปรุงไปทำเราห้ามจิตของเราไว้เมื่อมันเนึกคิดไปก็ให้ละอายภายในใจว่าตัวของเราเนื้อคิดนี้อาจจะมีผูรู้ ผู้เข้าใจอย่างน้อยพอพระพุทธเจ้าเป็นศาสดราคือมีหูมีตาเป็นทิศอาจจะรู้จะเข้าใจเราคิดชั่วอย่างนี้หากมีผู้รู้ผู้เข้าใจว่าเราคิตที่ไม่คิดไปในทางชั่วเขาจะตำหนิตีเตียมตัวของเราหรือไม่อย่างนั้นตัวของเราเองก็เสียวันเสียเวลาไม่ได้ทำหน้าที่ ผมกล ว, ว่าเรามาทามําความผาดความเพี้ยนมาบวช เ, เป็นพระเป็นชีหรือมารักษาศีลปลอยจิตปลอยใจสังคมอารมณ์ภายนอกซึ่งอยู่บ้านอยู่ช่องหรือเขามาเดชเข้ามาวัดมาว่ามาอบรมทางภาวนาเขากล็ละลึ ก, ลกนึกได้แบบนี้ไม่แปลกอะไรจิตใจที่ปล่อยใจเกี่ยวข้องกับราคะตัญหาต่างๆเหมือนกันกับปฏิราชาน ถึงรูปร่างตางตัวของเราจะเป็นมนุษย์แต่จิตใจของเรายังต่ำชาลาโมก อ, อย่างนั้นก็ได้ชื่อว่าเราเป็นสัตว์อยู่ดีๆไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีสติไม่มีปัญญาแนะนำร่าสอนตัวทางหาเรามีสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาจิตใจไม่ปล่อยไปถึงมันผ่านมาหรือเกิดขึ้นเราก็มีการ หั้ามจิตใจของเราไม่ไปวีตกไม่ไปนึกคิดในส่วนนั้นเพราะผิดจากคาคำต่า ง, องขอนควพมผู้พจเศษละอายภายในใจองตนได้คือว่าเกิดนิโอตปะคือละอายต่อการคิดในทางชั่วในทางบาปสรรพจัญญาอู้ตัวอยู่สม่ำเสมอวามชั่วเมื่อเราคิดก็ได้คือว่าเป็น กรรมอันหนึ่งึเรียกว่ามโนกรรมก็ใครเล่าเขาจะมารับกรรมทั่วให้นอกจากตัวของตัวคิดคิดไปทําไปพูดไปเราคอใจชัดเจนในเรื่องกรรมที่ทำจากายวาจาใจไม่มีบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งจะรับให้นอกจากตัวของเราผู้ทาผู้พูด ผ, ผู้คิดเท่านั้นจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเรายอม ที่นิติจารณาเชื่อพระพุธทธเจ้ า, ยจาอย่างชัดเจนภายในจิตในใจว่ากรรมที่ทําลงไปเป็นของของเราเราเองเป็นผู้จะได้รับผลของกรรมนั้นนั้นเะไรชอบไหมส่วนกรรมชั่วความทุกข์ยากลำบากต่างๆที่จะเกิดเป็นผลมาให้จากการทำการผูกาการคิดของเราเมื่อเราไม่ชอบ เรากาหักห้ามจิตใจของเราไม่ให้คิดไม่ให้พูดไม่ให้ทาได้อย่างสะดวกสบายเราต้องอยังที่นี้พิจรณนาะให้ชัดเจนอย่างนั้นจิตใจจึงจะหักห้ามเอาไวา้ได <c oughs> ้หากไม่นรียกสติปัญญาในที่นี้พิจารณนาะเราหักห้มเรื่องจิตใจแยมยากลําบากเพราะ ไม่พิจาราถึงผลว่าเต็มคงเตจะเป็นผู้รับส่วนความลำบากในการหักห้ามจิตใจมันก็เป็นธรรมดาเป็นความลำบากแต่เท่าว่าได้ผลดีจากการหักห้ามเอาไว้ไม่แหย่ใจไปปรุงไม่แหกปากไปพูดไม่แหกกายไปทำส่วนความดีถึงแม่ว่าใจของเราจะแหกชอบ ไม่ยินดีกาบังคับบัญชาเพราะว่าเป็นยาพิเศษถึงรถจะขมจะเปรียวจะฝาเป็นรบที่ไม่ชอบกับคิวหาตราสตทของเราก่ามแต่เพราะว่าเราทานลงไปโรคภัยภายในกายได้รับความสบายหรือเหียดหายจากกายของเราไปเมื่อโรคภัยเหยียดหายไปเรื่องของตายก็ยจะต้องสะดวกสบายไปมา สถานที่ใดไ ด, ได้ตามความต้องการหรือเราจะทําการทํางานอะไรก็สะดวกนี่คือโรกภายในกายหากเหยียดหายไปใน่โรคอะไรเบียดเบียนเราสะดวกสบายนัย่งนอนยืนเดินได้ตามความประสงค์ของเราทั้นใดเรื่องจิตใจภายในก่อนแนนั้นไม่แปลกอะไรกากรหัเหล่าในแนสอนตัวของเราให้กระทําบําเพ็้ยนลอยไปตาม เรื่องภายนอกปล่อยไปตามเรื่องสัญญาอารมณ์ปล่อยไปตามเรื่องของกิเลสการหาจะเป็นผู้นาําพาดึงจมูกเราไปแต่เราไม่ได้สนใจว่าเขาจะดึงไปสู่เรื่องอะไรเพราะมันดึงไปกิดตามเรื่องไปเดินตามมันไปสม่ำเสมอเราจะนับวันเสียตัวมาเป็นตัวของตัวได้เพราถูกฝ่ายตา่า มันพัดนามันดึงเราไปหากเราสอนใจของเราอย่างนั้นถึงความห้ามขั้นเรื่องการนึกคิดทางจิตทางใจก่อตามห้ามขั้นทางวาจาอยากพูดห้ามขันทางกายอยากทําอย่างนั้นอย่างนี้ก่อตามแต่เพื่อว่าผลที่ห้ามขั้นที่เราไม่ให้มันไปทำไปพูดไปคิดในส่วนนั้น จะเป็นผลดีเหมือนกันกับเราทานยาที่เหมาะกับโครคไข้ไข้เจ็บของเราถึงจะลำบากก็อุตสาห์บังคับใจของตนให้รับประาทานถึงจะลำบากกอให้บังคับจิตใจของตนให้ทําในทางดีผู้ดใดพยายามสอนจิตสอนใจของตนอย่างนี้การทําความดีก็จะมี วีคูณขึ้นคือมีจำนวนมากขึ้นไม่ปล่อยจิตปล่อยใจใไปสั้งคมใปเกี่ยวข้องวอกวนตามสัญญารมจิตจนต้องติตมาใจละเลิกม็อกอยู่ในขอบเขตคือในศีลในธรรมของพระสัมมาสัพุทธิจ้าเมื่อเราทุกคนสนใจและสอนตนอยู่ส ม, าม่าเสมออย่างนั้นเราจะเป็นครูคนหนึ่ง ซึ่งจะเป็นแบบแผนหรือแม่พิมพ์ของคนรุ่นหลังที่เขาเข้ามาหรือเขาสนใจในเรื่องของศีลทองธรรมพะเราเป็นผู้นำของเด็กขอผู้เกิดใหม่ผู้มาใหม่ผู้ศึกษาใหม่เมื่อเราทำได้เราฝึกได้เย็นฉนไต่จากคาดเชิงจากการกระทำบำําเพ็ญของตนว่าทำอย่างนี้หแามอย่างนี้ จิตใจจึงได้รับความสุขความสบายอย่างนี้การปล่อยจิตปล่อยใจเคยปล่อยมาอย่างนั้นแต่ผลเป็นอย่างไรก็ประจักษ์ใจการหักห้ามไม่ให้คิดไม่ให้ทำไม่ให้พูดถึงลําบากยากเย็นแตบกบผลเห็ประจักษ์ได้รับความสุขอย่างเราจะมีความรู้ความเข้าใจในตัวของตัวเองเพราะทำเป็นตัด จ, จัดต่างหรือเป็นสันพิธีโก เห็นเองจากการกระทำมํมเพลนท้ ง, งสนผู้ที่ไม่เห็นทำแต่เขาวัดเขาวาจำศีลภาวนาบวชเป็นพระเป็นเนรอยู่ในศาสนาประราะเหตุว่าปล่อยจิตปล่อยใจลอยลมไปไม่มีคำหรือไม่มีสติไม่มีปัญญายับยัง้งทีนี้พีแจนาตั้งทววเหตุผลที่ผิดถูกเสื่ดีนั่นเองหากบุคคลผู้ใดเอาใจใส่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 จิตใจเียงพอบริบูรณ์ได้เรื่องดียังชั่วเป็นอย่างไรเข้าใจชัดเจนเห็นไปจากเรื่องความหนุดความพ้นของจิตของใจที่ไม่เกี่ยวข้องกับขาดกับขันเป็นอย่างไรชัดเจนไปจากในจิตที่กระ ท, ทําบําเพ็ญทองตนแล้วก็หมดปันแผลที่ว่าจะมีอะไรอีกต่อไป ในใจจะละจะบำเพ็ญในจิตในใจเข้าใจประจกักษ์ชัดเจนเพราะถึงที่สุดแล้วเราต้องรู้จักเหมือนกันกับเรารับประทานอเหานถ้าห า, ร า, หาเราอิ่มแล้วถึงจะเป็นคนบ้าคนตากไม่ออกหรือเป็นเด็กยังไม่รู้จักภาวะเดียงสาอะไรก็าตามหากมันอีม่มันรู้จักจะเอาไปปากให้มันมันก่อเป็นขบในฉันมาอยู่มาชินอีก มันเป็นแบบนี้ธรรมะภายในที่พวกเราท่านต่อเพื่อปฏิบัติคือธรรมะทางใจเมื่อถึงที่สุดก็มีในสันนั้นเหมือนกันรู้จักชัดเจนในตัวของตัวไม่ต้องไปถามบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งว่าความหลุดพ้นเป็นอย่างไรหมดกันจะทําบําเพ็ญแล้วหรืออย่างไม่ต้องไปถามบุคคลผู้อื่นเพราะมันเห็นมันเป็น เกิดจากจิตจากใจที่กระทำมมเพลินเหอุน <influencers S 1> ั <os> ้นการตพืปฏิบัติธรรมธรําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะมากมายกายกองจัดทอดไปต่อตามก็คือการสอนจิตสอนใจของเราร้อนตัวของเราเราคนเดียวเท่านั้นจะเป็นผู้ประกอบพืชปฏิบัติตามธํามําสั่งสอนของท่านส่วนบุคคลผู้อื่นเป็นหน้าที่ของเขาถูกก่อเป็นเรื่องของเขาทุกข์ก่อเป็นเรื่องของเขาได้เสียเป็นเรื่องของเขา ส่วนของเราเป็นอย่างไรนี่เป็นหน้าที่ที่ควรสนใจควรจัดนำมาที่นีพิจรารณาปัจจุบันทุกวันนี้มีชั่วขนาดไหนยังอะไรที่ขัดที่ข้องยังอะไรที่ยังสงสัยในจิตในใจมันที่นี้พิจรารณามันกระทาบาเพ็ญลงไปเนี่ยเรารู้เราเข้าใจชัดเจนในส่วน น, นั้นนั้นการสงสัยจะหายไปตกไปหมดไปเพราะ ความเห็นความเป็นเกิดขึ้นในภายในมีในใจของตนถ้าหาเพียงแต่ได้ยินได้ฟังแล้วไม่ลงมือปฏิบัตปฏิบัติไม่เกิดไม่เห็นไม่เป็นขึ้นในตัวของตัวจะให้หาสงสัยเรื่องปัญหาของใจนั้นไม่มีวันมีเวลาที่จะหายสงสัยเพราะเรื่องสัญญาจำมาเดี๋ยวก็อนหลงเดี๋ยวก่อรู้เพราะสัญญาเป็นอนิจจะ ไม่เป็นของเที่ยงเยอะกว่เกิดเยอะกว่าดับเป็นอยู่อย่างนั้นส่วนธรรมที่แน่นอนชัดเจนไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีอนิจจังไม่มีทุกขงังไม่มีอนัตตาประจักอยู่ในจิตในใจของท่านประม่ำเสมอไปอนิจจังคือความแปรเปลี่ยนแปลงของจิตของกายหรือของวัตถุต่างๆส่วนธรรมนั้นมีการ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 เป็นเรื่องจรคงที่ไม่มีขึ้นไม่มีลงไม่มีไปไม่มีอยู่สมมุติทั่วไปในายโลกแตธาตุสมมติได้ถึงเพราะเหตุใดแต่จากในใจของผู้ปฏิบัต ja f, ิทุกเมื่อถึงที่สุดอย่างนั้นมีความอยากอะไรก็ไม่ปรากฏในความบริสุทธิ์อันนั้นทุกขังจิ่งไม่มีในความบริสุทธิ์ของท่าน อนัตตาซึ่งว่าในใจตัวใส่ตนใส่ใสัตใส่บุคคลใส่เราใส่เขาอะไรเป็นอนัตตาส่วนนั้นเป็นอัตตาและเป็นอนัตตาไม่นิยมท่านเขาใจประจากษชัดเจนจะว่าอัตตก็ไม่ใช่จว่าอนันตตก็ไม่ใช่เป็นธรรมที่ประจากในตัวของท่านไม่มีตามไม่มีตาไม ไม่มีการใยการ อ, ย, ารอารรยู่ไม่มีการสื่มการเจริญไม่มีการเกริดการดับก็เรียกว่าอนัตตาได้อย่างไร